สามภวังอะนะก็คือเหมือนอย่างว่าประทีปน้ํามันที่มีอัะนนะี้มีมีถ้วยน้ํามันใช่ประทีปน้ำมันมีถ้วยน้ํามันมีน้ํามันมีไส้น้ํามันเมื่อจุดถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะไส้ก็หมดน้ํามันก็หมดตกลงไฟไปอยู่ที่ไหนก็เป็นไฟที่สิ้นเชื้อฉันใดอุปาคันห้าวิบากรรมมชรูปของผู้ที่ทํากิจ16ในอริยรสัจสําเร็จแล้วก็ถึงความสิ้นเชื้อไปฉันนั้นเนี่ยนะก็ดับปฏิสนธิไร้เชื้อ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 ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย <N> เมื่อทัพพระมรบุตรเหาะขึ้นไปสู่เวหาตนั่งขัดสมาธิเข้าสมาบัติมีเตโชท่าเป็นอารมณ์ในอากาศกลางหาวออกจากสมาบัติแล้วปรินิพานเมื่อสรีระถูกไฟเผาไหม้อยู่ขงเท่าก็ไม่ปรากฏขเข่าก็ไม่ปรากฏ เหมือนเนยใสยหรือน้ำมันถูกไฟเผาไม่อยู่เท่าไม่ปรากฏขมาก็ไม่ปรากฏฉะนั้นลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าคติคติคือคติทั้งห้านะคติห้ามีอะไรบ้างนรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์เทวดาของพระขีนาศพผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบ ข้ามเครื่องผูกคือกามโมฆะได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขอันหาความหวั่นไหวไม่ได้ไม่มีเพื่อจะบัญญัติคติคือที่ไปเนี่ยนะคือคติห้าเนี่ยสำหรับของพระอรหันต์ไม่มีที่จะบัญญัติว่าท่านไปอยู่นะที่ใดเหมือนอะไรเหมือนคติแห่งไฟลุกโผลงอยู่ที่ภาชนะสัมฤทธิ์เป็นต้นอันนายช่างเหล็กตีด้วยค้อนเหล็กดับสนิทย่อมไม่ย่อมรู้ไม่ได้เช่นั้น บอกว่าถ้าใครเคยเห็นเหล็กแดงๆเนี่ยนะที่ที่นายช่างเหล็กเขาตีเหล็กเนี่ยที่เอาไปเผาจนแดงแล้วเอามาตีตีตีเนี่ยนะทีนี้ถามว่าเมื่อตีจนเย็นสนิทแล้วถามว่าไอความร้อนนั้นหายไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะหายไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็บอกว่าไม่ไม่ไมปรากฏที่ไปฉันใดคติคติห้าทั้งหลายของพระรหารก็ไม่มีฉันนั้น สูตรนี้เนี่ยพระองค์ไปเล่าให้พระภิกษุทั้งหลายฟังที่เชตวันน่ะนะส่วนสูตรก่อนนี้อยู่ที่เมืองราชครึกสูตรนี้แสดงที่ทที่พระเชตวันที่เมืองสาวัตถีพระองค์นี้ประทับอยู่ในพระเชตวันเพื่อแสดงการที่พระทัพพามรบปรินิพานอันยังไม่ประจักษ์ให้ประจักษ์กแก่พวกภิกษุเพื่อจะให้ปุถุชนผู้เหินห่างจากความเคารพในพระเทระโดยการกล่าวตู่เรื่องไม่จริง ที่พวกพิกษุเมตยะและภูมิมัชะกะกระทําเอาไว้ให้เกิดความนับถือเป็นอย่างมากในพระเถระจึงได้ตรัสเรียกก็พระพิสุที่เป็นปุตชลเนี่ยค่อนข้างหวาดระแวงในพระทัพพระมรรบุตรเกี่ยวกับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะทําบุญทีนี้อยากจะทําบุญเนี่ยเศรษฐีคนนี้เป็นชาวเมืองราชครึกแล้วก็จันนิมนพระพิสุไปฉัน ทีนี้พระภิกษุที่เป็นเจ้าหน้าที่รับรับอาหารับกิจนิมนต์เนี่ยเขามีพระทัพพระมรบุตรนี้พระทัพพระมรบุตรนี่ก็รับกิจเป็นผู้รับกิจนิมนต์นี้มีพระภิกษุสองรูปเนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปนิมนต์พระภิกษุก็พระทัพพระก็จัดพระเนี่ยพระทัพพะมรบุตรก็จัดให้พระภิกษุเมตยะกับภูมิศักะไปทีนี้ พระสองรูปเหล่านี้เนี่ยนะเป็นที่เลื่องลือกันว่ามีความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยอุบาสกเขาก็รู้กันเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยนิมนต์ได้พระเมติยักับภูมิมชกะอย่างนี้แล้วก็นอนไปจัดอาหารแบบที่เรียกว่าเอาอาหารชั้นเลวอ่ะนะน้ําะไรข้าวข้าวข้าวต้มข้าวต้มผักหั ก, หกแล้วก็ผักดองเนี่ยแล้วก็ไปเลี้ยงในที่ที่มันไม่สมควรอ่ะนะ พระเมตยักกับภูมิมัชกะเนี่ยโกรธพระทัพพระนึกว่าพระทัพพระเนี่ยเป็นคนสอเสียดให้ให้เศรษฐีเนี่ยแตกกับสองคนเนี่ยมันก็เลยผูกเวรกับพระทัพพะหาเรื่องกับพระทัพพระมรบุตรมาตลอดก็หาช่องทางว่าพระทัพพระมรบุตรคงสอเสียดให้ให้ให้เศรษฐีนั้นอ่ะทำบุญไม่ดีเห็นไหมอะไรไหมก็เลยโกรธแค้นพยายามหาเรื่องป้ายสีพระทัพพระมรบุตรมาตลอดเป็นเหตุให้บัญญัติสิกขาบทโดยเฉพาะสังขาริเศตเป็นต้นตั้งหลายข้อ นะเรื่องราวใหญ่โตเลยสมัยนั้นก็มีการประชุมสงฆ์มีอะไรใหญ่โต ก, ก็เหตุมาจากเรื่องเรื่องนี่เรื่องชั้นๆ น, นี่แหละอันนี้ทีนี้การยุยงส่งเสริมส่อเสียดเนี่ยนะคนปุตุชนทั้งหลายเนี่ยมันก็ส่อเสียดขึ้นบานถ้ายิ่งแบบข่าวข่าวไม่ดีเนี่ยนะแมะลงวันมันชอบฉันใดพอเรื่องอย่างนี้เนี่ยา พ, พระเมตยะกับภูมิมัชากะ หาเรื่องพระทัพพระมารบทคนก็เลยชอบนะพระพิโุที่บางกลุ่มที่เป็นปุตุชนก็หวาดระแวงในพระทัพพระมารบทนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมะนี้แหละเพื่อให้พระพิโุทั้งหลายที่ไม่เลื่อมใสในพระทัพร พ, รรพระไมารบรนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องกัน้นนะเครื่องกั้นไหมก็เครื่องกั้นสิไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การไม่เลื่อมใสในบุคคลที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเสื่อมพระองค์ก็ไม่ต้องการให้พระพิสุททั้งหลายท่านเสื่อมแบบนั้นก็ยกคุณของพระทัพภาพมารบตรนีมาแสดงให้ให้ปรากฏในหมู่พิสุท์ทั้งหลายว่าพระทัพภาพมารบรนี้ท่านเป็นพระอรหันนะท่านประพฤติกิจในพรหมจันทร์ที่พระพุทธเจ้าแสดงได้สำเร็จเนี่ยนะ คำถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยตรัสเรียกเฉพาะพระพิสุทั้งหลายมาดูก่อนพิกสุทังหลายพิขเวพิฆเวอยู่นั่นแหละ น, นะบอกว่าเพราะพระพิสุนี้เป็นผู้เจริญนะเจริญในบริษัทสี่นะแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจิตมั่นด้วยดีตลอดการและท่านเหล่านั้นเป็นผู้รองรับพระธรรมเทศนาโดยพิเศษแล้วก็พระธรรมโดยมากก็ประดิษฐานอยู่ใน พระภิกษุทั้งหลายเป็นต้นท่า น, นพระองค์เวลาแสดงธรรมก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในหน้าสองอยสอบอกว่าคําว่าพิกาโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งพระดํารัสอันอิงอาศัยพระหาฤทยัยที่เยือกเย็นบันดาลให้เกิดที่มีกรุณาเป็นประธานพระพุทธเจ้าเวลาตรัสเนี่ยน ะ, ะเสียงที่มีกรุณาเป็นสมุทฐานตรัสเรียกเนี่ยนะ คำพูดเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะบอกว่าเป็นคําพูดที่เยือกเย็นมากเนาะคว่าเยือกเย็นไม่ใช่แบบลักษณะแบบเนี่ยนะหมายความว่าเป็นถ้อยคําที่ฟังแล้วมีความสุขนะคือฟังแล้วผู้ฟังเนี่ยยินดีที่จะรับฟังมีความสุขที่ได้ยินเนะี่ยพระองค์ก็ให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะหันกลับจากมณสิการกรรมฐานหรือการพิจารณาธรรมให้หันหน้ามาหาพระองค์ พระภิกษุเหล่านั้นก็ตรัสตอบว่าพระทันเตอพระทันเตพระเจ้าข้าหรือว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนี่ยนะก็แสดงเอื้อเฟื้อนับถือและความเคารพในพระศาสดาภิกษุเหล่านั้นประกาศถึงความที่ตนเนี่ยเป็นผู้ฟังด้วยดีและความที่ตนนั้นเป็นผู้เคารพในการรับพระโอวาสนะรับพระดํารัสของพระพุทธเจ้าเขบอกว่าพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะเงี้ยสดลงฟังธรรมเนี่ยยิ่ง ยิ่งกว่าเรอีกบกว่าถ้าหากว่ามีรูปใดนั่งกระแอมอยู่ข้างๆนี่เอาเข่ากระทุ่งเลยพระพุทธเจ้ากําลังจะตรัสเนี่ยดูที่ฟังปงจะแสดงอะไรเนี่ยนะเขาแค่ระวังเงี่ยหูคอยฟังจริงๆเลยนะเงียบบอกว่าถ้าหากว่านั่งอยู่จนพระองค์บอกว่าบางส่วนเนี่ยถ้าหากว่าพระองค์จะนั่งอยู่ตนตลอดอายุกับคนนั้นก็จะไม่มีใครแม้แต่กรแอมนิดเดียวเนี่ยนะเคารพพระพุทธเจ้ามากเพราะว่าทําไมจะไม่เคารพอ่ะเพราะนี่คือประตูแห่งมรรคผลนิพพาน เรียว่าประตูแห่งสุขติโลกสวรรค์ประตูแห่งมรรคผลนิพพานประตูแห่งความพ้นทุกข์ถ้อยคําที่เป็นพุทพธพจน์แต่ละคําที่ตกลงมาเนี่ยนะก็เหมือนกับว่ายิ่งกว่าฝนเงินฝนทองอีกนะมีคุณค่ามากกว่านั้นเป็นไม่รู้กี่สิบเท่านั้นพระพิสูจน์เหล่านั้นจึงมีการฝักฝ่มีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อจะฟังเพราะความที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะเห็นคุณค่าของคําสอนเหล่านั้นเนี่ยท่านไม่ให้ผ่านท่านจึงทรงจําเอาไว้ได้ ท่านจึงมีการไปปฏิบัติตามท่านจะได้ยินทุกคําและทุกคําท่านมีการเพ่งมีการไข้ครวญฟังตอนเช้าก็ไปพิจารณาตลอดตลางวันมาฟังตอนเย็นอีกก็ไปพิจารณาตลอดกลางคืนชีวิตของท่านก็อยู่ไปอยู่กับพระธรรมอย่างนั้นตลอดไปจนกว่าจะตรัสรู้นั่นแหละมันพระพิสูุน์เหล่านั้นจึงประสบแต่ความสุขความเจริญเนี่ยนี่หมายถึงพระพเน้นสมัยแรกๆเลยนะแต่สมัยหลังๆบ้างก็ยังว่านะผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสเข้ามามาก ก็มีกลุ่มที่ไม่มีศรัทธาเพราะว่าหลายกลุ่มอย่างเช่นสัตระวัคคีเนี่ยนะที่เรียกว่าพักสิบก็มีหลายพักนะสมัยพุทธกาลก็มีพักหกพักสิบไอ้พักสิบนี่คือเด็กๆ เ, เอาเด็กๆมาบวชพ่อแม่ก็บอกว่าถ้าส่งเรียนทางโลกไอ้พวกนี้มันก็เหนื่อยไปบวช ด, ดีกว่าที่อยู่ก็สบายอาหารก็ดีเนี่ยนะก็เลยให้ไปบวชเรียกพักสิบพวกนี้หาเล่นตลอดเลยที่มาของบัญญัติวินัยหลายข้ อ, อนะมันก็อย่างว่านะก็มีทั้งคนดีก็มีทั้งคนหลายระดับชั้นอ่ะนะ ก็เหมือนในป่าก็มีทั้งต้นไม้มีแก่นแล้วก็มีทั้งหญ้าก็อย่างว่าในหมู่สัตว์ทั้งหลายก็มีผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นสาระบางคนก็ถือเอาปัจจัยสี่เป็นต้นเป็นสาระนะพูดถึงข้อความในคาถาคาถาที่บอกว่าไฟที่อยู่ในเอ่อไฟพูดถึงเหล็กที่เผาไฟเนี่ยนะให้ร้อนระอุ นายช่างก็จะตีเหล็กใช่ไหมตีเหล็กนั้นอะ่ะถ้าหาว่าเหล็กไม่ร้อนเต็มที่มันก็ตีเหล็กไม่ได้ตีไปเป็นมีดเป็นอะไรไม่ได้แต่ถ้าร้อนเต็มที่ก็ตีให้เป็นเป็นรูปเป็นร่างได้ฉันใดก็ดีถามว่าเมื่อตีเสร็จแล้วไฟที่มันแปรไปเนี่ยไฟเหล่านั้นหายไปอยู่ที่ไหนก็เรียกว่าหาที่ไปไม่ได้ฉันใดยะฐานะยายยติ ยถ า, านะยายเตคติความว่าเหมือนคติแห่งไฟนั้นรู้ไม่ได้อธิบายว่าเมื่อไฟเนี่ยถูกค้อนเหล็กใหญ่ที่ทั้งเหล็กและค้อนเหล็กเป็นต้นกระทบอยู่คือขจัดอยู่หรือลุกโพล่งติดภาชนะสำริดเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเมื่อเสียงที่เกิดขึ้นก็อย่างนั้นสงบคือเข้าไปสงบด้วยดีโดยลำดับคติแห่งไฟหรือแห่งเสียงย่อมไม่ปรากฏในที่นไหน ในทิศ ท, ทั้งสิเพราะดับสนิทโดยหาปฏิสนธิไม่ได้โดยการดับปัจจัยคือถ้าดับปัจจัยแล้วนะอย่างเช่นเวลาตีเหล็กเนี่ยนะตีเหล็กเนี่ยดังเป้งเป้งเป้งตีไปเนี่ยถามว่าเมื่อตีเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อปัจจัยมันหมดไปในเสียงไปเก็บอยู่ณตรงไหนนะไม่มีที่เก็บฉันใดหรือไฟที่ร้อนๆนะั่นะพอมันเย็นแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเคยสังเกตในเวลาเราทํากับข้าวหม้อข้าวเนี่ย หรือแกงเนี่ยหม้อแกงเป็นต้นมันเดือดเอามาวางไว้เย็นแล้วถามว่าไอ้ที่มันเย็นเนี่ยไฟมันหายไปไหนชั้นใดก็ดีคติของผ้าอาหารทั้งหลายก็ชั้นนั้นใครว่าเป็นการดับปัญหาปฏิสนธิของท่านไม่ได้หรอกในสิบทิศสิบทิศนะนะสิบทิศมีอะไรบ้างข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาก็สี่แล้วใช่มเฉียงเฉียงอีกสามวางอีกสี่ก็เป็นแปดบนล่างเป็นสิบเนี่ยนะ เอวังสัมมาวิมุตตานังความว่าคติของพระขีณาสพทั้งหลายเชื่อว่าผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบเพราะหลุดพ้นจากอุปาทานสคือหลุดพ้นจากกามุปาทานที่ถุปาทานอัตวะทุปาทานและศีลพัตุปาทานเน่ย น, นะเธอหลุดพ้นจากอุปาทานที่ยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราหลุดพ้นจากการยึดถืออย่างนี้แล้วอาสะวะทั้งสประการก็ไม่เหลือ กามาสวาะภาวะสวะเทถาสวะและอวิชชาสวะก็ดับหมดด้วยอริยมรรคนะแต่ว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยต่ทางขาวิมุตและ ว, วิขัมพนาวิมุตแต่ทางขาวิมุติคือวิปัสนาวิขมพนาวิมุติคือสมถะอาศัยสมถะวิปัสนาควบคู่กันตาจนเจริญอริยมรรคเกิดขึ้นเมื่อ อ, อริยมรรคเกิดขึ้นก็ข้ามโอคะอันเป็นเครื่องผูกคือกามเพราะข้ามเครื่องผูกคือกามโมคะต่าง แล้วก็โอคะที่เหลือมีพโวคะที่โธฆะและอวิโชคะพูด <c oughs> ถึงคือถึงซึ่งความสุขความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขที่เกิดจากการสงบสังขารทุกชนิดคขื่อนุปาธาปรินิพานนั้นถ้าดับวิบากและกรรมชัรูปได้ก็ถือว่าเป็นความสุขที่แท้จริงก็ความจริงแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็ไหลออกมาจากวิบากและ กรมมรมชะโรใช่ไหมถ้าวิบากกรมมรมชะโรของเราไม่ปรากฏที่นรกทุกในนรกจะมีไหมก็ไม่มีถ้าหากว่าวิบากไม่กับและกรมมรมชะโรกไม่ปรากฏณนะที่ต่างๆความทุกณนะที่ น, นั้นๆก็ไม่มีทีนี้แล้วสาเหตุที่จะดับวิบากและกรร ม, มชรูปกคืออะไรโดยมากคนทั้งหลายก็จะรออะไรนะรอแก้ปัญหาเวลาใกล้จะตายก็บอกว่ากิจใดที่ทําเมื่อมาถึงเวลากิจนั้นย่อมทําแล้วไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหม สมนั้นถ้าเราจะคิดจะเจริญกรรมฐานเวลาใกล้จะตายเนี่ยเพียงพอไหมที่จะดับปฏิสนธิก็ไม่พอเพราะนั้นก็ต้องเจริญตั้งแต่บัดนี้เพื่อดับปฏิสนธิในพบใหม่เนี่ยนะดับปฏิสนธิเพราะฉะนั้นปฏิสนธิเนี่ยเขาดับที่เหตุเหตุก็คืออวิชชาตันหาอุปาทานและกรรมอวิชชาจะดับได้เพราะอาศัยวิปัสสนาตันหาจะดับได้เพราะอาศัยสมถะก็ทั้งสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันไปขณะนั้นเรียกว่าอริยมรรคเกิด ถ้าอริยมรรคเกิดนั่นแหละข้ามจากปฏิสนธิในอบายได้ถ้าเจริญอริยมรรคไม่เกิดเนี่ยนะอนิยตาธรรมาไม่แน่ไม่มีอะไรแน่นอนเลยเอาอะไรแน่เอาใจนี่แหละแน่ก็มันไม่มีใจที่มันแน่นะใจที่แน่มีอยู่สองกลุ่มใจที่แน่ก็มิชัตตนิยตาธรรมาอันนี้ก็แน่มิชัติถิแน่ดิง่ง กับสำ ม, มัติอนิยตารำมามักมีองค์8เนี่ยก็แน่ที่เหลืออนิยตาทำมาไม่มีแน่สักอย่างนะกุศลแน่นอนไหมไม่แน่ถ้ากุศลระดับมักเนี่ยจึงจะแน่นอนแต่ถ้ายังไม่ถึงมักไม่มีแน่ฌานในจิตทั้งหลายก็ไม่ได้แปลว่าแน่เสมอไปเพราะถ้าหากว่าถูกตัดปัดจจัยเข้าฌานก็เสื่อมเหมือนกันเนี่ยนะถ้าปัจจัยตัวแปรอย่างอื่นมีกําลังมากฌานก็เสื่อมมันเมื่อไม่มีความแน่นอนเนี่ยทำอย่างไรก็ต้องเจริญจนกว่าจะแน่นอน อนิยตาธรรมากับอะไรนะนิยตาธรรมากับอนัตตาเนี่ยมันต่างกันยังไงต่างกันหรือไม่ต่างสมมตินิยตาธรรมามิชตานิยตาธรรมาอนิยตาธรรมากับอนัตตาธรรมาเนี่ยนะเป็นยังไงเนาะคืออนัตตาเนี่ยเขาบอกว่าในสัพเพสังขารทุกชนิดไม่มีอัตตาอยู่ในอุปาทานขันห้าเลยใช่ไหมอัตตาขันห้าทุกขันห้าไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยใช่ไหม บอกใช่แต่ขันห้าเหล่านั้นบางอย่างแน่นอนเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิแน่นอนอุปาขันบางอย่างก็แน่นอนคือถูกต้องแน่นอนคือมรรคแดนี่ก็ถูกต้องแน่นอนส่วนขันที่เหลือก็ไม่แน่นอนแบบสัมมัตตาแบบมิจฉัตาเรียแกบบว่าอานิยตาธรรมมาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีอัตตาอะไรอยู่ในนั้นหรอก ก็เป็นแต่เพียงสภาวธรรมทั้งหลายนี่นะแต่ว่าสภาวธรรมเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโวหารไว้เรียกขานกันเรียกขานกันมา น, นี้เป็นพระโสดาบันนี้เป็นพระสกะทาคามีบุคคลนี้เป็นพระอนาคามีเรียกว่าคําในคัมภีบุคคลบัญญัติถ้าผู้ใดศึกษาเนี่ยก็จะรู้ว่านะเพราะว่าคุณธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้บัญญัติ วันนี้เป็นปุตุชนนี้เป็นอริยชนนี้เป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นตนน้นก็อาศัยขันธอริยตาณนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งบนบัญญัติโวหารต่างๆกลับมาว่าพผ้าหันทั้งหลายผู้ข้ามโอเคได้แล้วก็บรรลุถึงความสุขคือความสงบสังขารสงบที่แท้จริงก็คือสงบวิบากและกรรมชรูปด้วยอนุ ป, ปาทาปรินิพานที่ไม่หวั่นไหวท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเพราะสงบ ระ ง, งับกิเลสเนี่ยนะกิเลสนี่แหละเป็นเหตุให้ดิ้นรนทละเสียได้ด้วยดีก็ไม่สะเทือนด้วยลมคืออภิสังขารคือกิเลสย่อมไม่มีเพราะัน้าสงบเศร้ามองสงบจิตที่เศร้ามองได้โดยประการทั้งปวงกรรมจะนำปฏิสนธิได้ไหมก็ น, นำเกิดไม่ได้แล้วขณะเดียวกันก็ย่อมไม่ได้เพื่อจะบัญญัติโดยไม่มีข้อจะเพึงบัญญัติวันนี้คติว่า ตอนนี้พระทัพพระมรรอยู่ที่ไหนเทวดาหรือมนุษย์อยู่นภสวรร์ชั้นไหนบอกได้ไหมบอกไม่ได้เพราะว่าท่านพทัทธพมฒน์มรรนั้นไปสู่ภาวะที่หาบัญญัติไม่ได้นั่นเทียวเหมือนไฟตามที่กล่าวแล้วฉะนั้นก็ต้องดูว่ายังมีกองทุกข์ที่สืบเนื่องกับดับกองทุกข์อันไหนจะดีกว่ากัน พันถามว่าโดยความคิดรวมๆของเราเนี่ยนะอาศัยพื้นฐานจากคําสอนเราก็บอกว่าดับทุกขได้เป็นความดีแต่แต่เธอว่ายังไม่เพียงพอที่จะดับทุกได้จริงเพราะอะไรเพราะว่ายังมีที่ร้อนและก็ยังมีที่เย็นอยู่เลือกเย็นกับเลือกร้อนใช่ไหมคนที่เจริญวิปัสนาไม่ถึงวิปัสนาระดับสูงเนี่ยนะสังขารทุกชนิดมันแบ่งสังขารหลายๆอย่างเนี่ยมีเย็นมีร้อนอยู่ มีอะไรนะมีหน้าเบื่อหน่ายกับหน้าเพลิดเพลินอยู่คือยังมีสังขารที่หน้าเพลิดเพลินอยู่ก็สมไม่สามารถที่จะออกจากวัฏทุก์ได้จนกว่าจะเห็นว่าสังขารเนี่ยร้อนทุกทุกสังขารก็ยังชอบเพราะความในจูลนิเทศอยู่ดีก็คือจนกว่าจะปัญญาของเราเหมือนกับขนไก่กว่าจะขันห้าทุกขันเหมือนกับไฟร้อนหมดเลยอย่าลืมว่า จิตตัวนั้นก็ร้อนด้วยเหมือนกันเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็พร้อมที่จะออกจากวัตฏะได้แต่ถ้าแย่ไปตรงนั้นก็ดึงยืดไปหมดเลยนะไปมัดไปมัดไปมัดไว้ทุกแห่งถ้าอย่างนี้ก็อีกนานทําบุญตั้งความปรารถนาไปก่อนนะแล้วก็เจริญปัญญาอบรมปัญญาตามคําสอนให้มากๆขึ้นคิดตามคําสอนเยอะๆคําสอนหล่ะนั้นก็จะเป็นการบ่มอินทรีย์เนี่ยนะบ่มศรัทธาบ่มวิรยิยะบ่มสติบ่มสมาธิแล้วก็บ่มปัญญาไป ถ้าหากว่าเราอินทรีย์อ่อนเราก็รู้ว่าเราอินทรีย์อ่อนเนี่ยศรัทธาในพระตัตนตรยเราก็อ่อนเหลือเกินความเพียรในการละบาปเพียรที่จะเร่งคุณงามความดีเร่งเรียกว่าอัจฉีดคุณภาพกุศลเราก็ยังไม่แน่นอนอยังยังคือว่ายังไม่มีกําลังพอก็วิยญินทรีย์ see, ก็อ่อนพื้นฐานทวิรปราชมากก็แสดงว่าสเินทรีย์เราอ่อนมาก อถ้าวิปลาดมากก็อินสตินซีอ่อนถ้าฟุ้งมากก็สมาตินซีอ่อนอริยศาสตร์วันๆก็ไม่เคยเอามาคิดเลยก็ปัญญรียก็อ่อนเกือบบรรลุได้ไหมเพราะถ้าบรรลุได้นี่ไม่รู้เสียหายมากเลยนะไอสิ่งที่บรรลุนี่สงสัยเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงเพราะอะไรได้แต่ของอ่อนๆอะไรนะก็เรียกว่าเอาดาบทื่ๆอๆยังตัดขาดนี่แสดงว่าอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ของที่มันแน่นอนอะไรใช่ไหมมันก็ต้อง ให้คุณธรรมมันสมควรแก่แก่ผลที่ต้องการบ้าง <c oughs> นี่ก็เดินทางมาถึงหน้าสุดท้ายของคัมภีร์นี้นะอุทานสรุปสรุปว่าด้วยถ้อยคำเพียงเท่านี้พระองค์ผู้หลุดพ้นด้วยดีจากความยึดมั่นในภพนะว่าทีละบรรทัดนะผู้หลุดพ้นด้วยดีหลุดพ้นด้วยอะไรตะทางคะาวิมุต วิคัมพนะวิมุตตสมุทเฉทวิมุตตปฏิปัสสทิวิมุมตมมและนิสรนะวิมุตพระองค์เนี่ยหลุดพ้นจากการยึดมั่นในภพยึดมั่นในภพเนี่ยถ้าคนที่ยึดมั่นในภพยึดว่ายังไงเที่ยงสุกและยั่งยืนอัตตาเนี่ยนะนี่คือความยึดมั่นในภพพระองค์ไม่สำคัญภพใดว่าเที่ยงยั่งยืนงามและเป็นอัตตาเลยพระองค์เนี่ยเป็นผู้อันเทพและทานบทานบก็คือเทวดาทั้งหลายนะ นับถือแล้วผู้ตัดความสืบต่อแห่งตันหาได้ขาดแล้วเนี่ยนะตันหาก็คือผูกตาไว้กับรูปผูกหูไว้กับเสียงผูกจมูกไว้กับกลิ่นผูกลิ้นไว้กับรสผูกกายไว้กับผลิภัณฑ์ผูกใจไว้กับอารมณ์ต่างๆพระองค์นี้ตัดตันหาอันนั้นได้ขาดแล้วพระองค์นีแสดงธรรมคืออุทานด้วยอํานาจปีติบางสูตรนีแสดงด้วยอํานาจปีติบางสูตรก็แสดงด้วยอํานาจความสังเวชนะสังเวชแปลว่าอะไร เรียกว่าไม่ใช่เศร้านะแต่สลด น, นะถ้าเศร้านี่โทสะแต่ถ้าสลดนี่ก็เนื่องจากปัญญานี่นะปัญญาเห็นเห็นโทษเห็นพิษภัยของสิ่งนั้นแล้วโอตปะมีกำลังแรงกล้าอาศัยปีติและสังเวชพระองค์ผู้ยินดีในการประทานทศธรรมเป็นผู้นำของชาวโลกโดยพิเศษพระองค์นี่เปล่งอุทานใดๆอุทานที่เกิดจากปีติและสังเวชในที่นั้นเพราะ เป็นเหตุสิ้นอุปาทานคำสอนที่พระองค์แสดงเหล่านี้เนี่ยนะถ้าผู้ใดพิจารณาตามเป็นเหตุสิ้นกามุปาทานเป็นเหตุสิ้นทิฏฐุปาทานสีละพัตุปาทานและอัตวาทุปาทานได้อุาทานทั้งหมดแปดสิบสูตรเหล่านี้เนี่ยนะถ้าธรรมสังหากาจารมีพระอนนนท์พระหมหากระสปะเป็นต้นรวบรวมทั้งหมดเอาไว้เข้าด้วยกันแล้วก็ยกขึ้นสู่สังคนานร้อยกรอง ตั้งชื่อว่าอุทานใดเพื่อประกาศอุทานนั้นซึ่งอาศัยอัตกถาเก่าๆข้าพเจ้าคือพระธรรมปาละเนี่ยเริ่มพรนณาอัดไว้ด้วยดีอัถวรนานานั้นโดยชื่อว่าปรมัทถีปณีประทีปส่องเนื้อความที่เป็นประมัทเนี่ยนะปรมัทนะปรมัทอ่าปรมัทฐานะปรมัทถีปณีทีปณีก็คือประทีปะประทีปที่ส่องเนื้อความที่สูงสุด อันเป็นเครื่องประกาศอัฏฐะอันยิ่งใหญ่ในพระสูตรนั้นตามสมควรที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีวินิจฉัยที่ไม่ฟัน่นเนฟะือก็แสดงคำอธิบายไม่พิสดารจนเกินไปเนี่ยนะก็กําลังถือว่าพอดีหมดสำหรับผู้ที่เลื่อมใสทัานเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ฟั่นเฟือจบบริบูรณ์โดยบาลีภาณวาระประมาณ34พาณวาระก็สวดก็พักหายใจ34ครั้งดังนี้นะ ด้วยอนุภาพแห่งบุญใดที่ข้าพเจ้าได้รจนาปรมทัทิตปณีนั้นได้รับแล้วด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่เกิดจากการเรียบเรียงคำพีทั้งหมดเนี่ยนะขอพระาศาสนาของพระโล ก, กนาเจ้าจงสว่างสวัยด้วยข้อปฏิบัติมีศีลเป็นต้นอันบริสุทธิ์นะทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่าเข้าใจเนื้อความคำสอนเหล่านี้แล้วคนก็จะเข้าใจข้อปฏิบัติคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญา ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิมุตติรสคืออรหัตผลละจิตขอพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตยอยู่ในโลกตลอดกาลนานขอปวงสัตว์จงมีความเคารพในพระพุทธศาสนาเป็นเนืองนิดขอฝนจงตกในพื้นปัตภีโดยชอบตามฤดูกาลขอผู้ยินดีในพระศตธรรมจงปกครองชาวโลกโดยธรรมเทินมันก็เป็นคา เมตตาจิตที่เกิดจากที่เกิดจากบุญกุศลนะอาศัยบุญกุศลที่ท่านได้เรียบเรียงคำพีนั้นคำปรารถนาอันแรกของท่านขอาศาสนาของพระโลกกนาเจ้าจงสว่างสวัยด้วยข้อปฏิบัติมีศีลศีลวิสุธทธิจิตตวิสุธทธิอะไร ทิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามคามขายานทัศนะวิสุท ธ, ธ, ธิปฏิปทายานทัศนะวิสุทธิแล้วก็ยานทัศนะวิสุทธิอันนี้เป็นความปรารถนาอันดับแรกของท่าน น, นะความปรารถนาขอให้ศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ยังสว่างสวัยด้วยวิสุธทธิทั้ง7ประการต่อไปขอปวงสัตว์จงมีส่วนแห่งวิมุติรสอันนี้ข้อสองใช่ไหม วิมุติรสก็คืออรหัตตะผ ล, ละจิตนั่นเองขอให้สัตว์ทุกท่านปวงสัตว์ทั้งหมดมีส่วนที่จะได้แทงตลอดอรหัตตะผลเป็นที่หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงความปรารถนาที่สามของท่านขอศาสนาคือคาสอนที่ประกอบด้วยศีกาทั้งสามคือศีลสมาธิตัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตอยู่ในโลกตลอดกาลนานเนี่ยนะก็ขอให้อยู่ได้นา น, าน ถามว่าศาสนาดำรงอยู่ในโลกนานเพียงใดก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นความปรารถนาข้อที่4ของท่านบอกขอปวงสัตว์จงมีความเคารพในพระพุทธศาสนาเป็นนิดจเพราะว่าผู้ที่เคารพในพระพุทธศาสนาเคารพในพระรัตน์ไตรยก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะว่าความเคารพนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญเนี่ยผู้ที่มีผู้ที่ไม่มีความเคารพเนี่ยมีแต่ความเสื่อม ผู้ที่มีความเคารพก็จะประสบแต่ความเจริญเพราะเป็นมงคลคาราวโวเนี่ยนะคารวโวในความเคารพในพศาสนาเป็นเหตุให้ประสบแต่ความเจริญทีนี้ชีวิตของสัตว์ในโลกเกิดมาก็ต้องอาศัยอะไรก็เลยปรารถนาว่าไม่เดือดร้อนด้วยปัจจัยสี่นั่นแหละขอฝนจงตกในปัตตพีโดยชอบตามฤดูกาลตัวนี้ก็คือปราถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เดือดร้อนด้วย ปัจจัยสี่เพราะถ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลจะไม่กันดานด้วยปัจจัยสี่แต่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี่แหละเป็นเหตุให้เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัยสี่ถ้าหากว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลสัตว์ทั้งหลายจะไม่กันดาลในอาหารเป็นต้น คำปราถนาครั้งที่หกบอกขอผู้ยินดีในพระสัทธรรมจงปกครองชาวโลกโดยธรรมเทินตัวนี้ข้อสำคัญที่สุดก็คือขอให้ผู้ที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินทั้งหลายผู้ที่มีอำนาจได้มีโอกาสปกครองบ้านเมืองคือขอให้เป็นผู้มีบุญเนี่ยนะผู้ที่มีศรัทธามีศีลเป็นต้นปกครองโลกเหือนกนะปกครองบ้านเมืองเพราะว่าผู้ที่มีคุณธรรมปกครองเนี่ยนะ กล่าวว่าในหมู่โคทั้งหลายโคหัวหน้าฝูงถ้าโคหัวหน้าฝูงเดินไปคดลูกโคโคทั้งหลายโคงานโคหนุม่มโคน้อยโคเล็กเด็กแดงทั้งหลายเนี่ยก็เดินตามหัวหน้าโคที่คคอะไรจะเกิดขึ้นก็ไปคดกันหมด น, นะฉันใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันถ้าหากว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าไม่มีธรรมชนที่เหลือก็ติดตามโดยอธรรมถ้าหากว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าดํารงมั่นอยู่ในคุณธรรมผู้ติดตามทั้งหลายก็จะเป็นไปตามธรรมเนะ มันขอให้ผู้ที่มีคุณธรรมได้ปกครองชาวโลกเลยนะขอให้ผู้มีธรรมเนี่ยเป็นหัวหน้าเรียกขอให้คนดีทั้งหลายมีโอกาสเป็นผู้ปกครองสรุปรวมความในอุทานทั้งหมดอุทานทั้งหมดมีอยู่แปดวคกนะนะประมาณวักละสิบสูตรมีอยู่แปดสิบสูตรทั้งแปดวักนี้พระพุทธเจ้าผู้มีจักสุปราศจากมนทินพระพุทธเจ้าผู้มีญานจักสุมีมังสะจักสุมีจักสุทั้งห้า ปราศจากความเศร้าหมองด้วยราคะโทสะและโมหะพระองค์จำแนกไว้ดีแล้วบัณฑิตทั้งหลายผู้มีศรัทธาเลได้กล่าววักนั้นว่าอุทานชนิแลัแลก็เรียนพระธรรมมา80สูตรบุญกุศลเหล่าใดที่เราทั้งหลายได้เจริญร่วมกันนี้ขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นไปตามความปรารถนาของพระธรรมปาละทั้ง6ประการอะไรบ้างทวนนะขอพระาศาสนา ของพระโลกก น, น้าเจ้าจงสว่างสวัยด้วยข้อปฏิบัติมีศีลเป็นต้นอันบริสุทธิ์